เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกจึงเรียกว่าภาวนาภาวนานี่หมายความว่า ทำใจที่ไม่สงบให้สงบลงทำใจที่สงบอยู่แล้วนั้นให้มันเกิดปัญญามันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การภาวนาไม่ใช่จะไปสงบอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างนี้อันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องดีเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยการภาวนานี่ก็จึงต้องให้เข้าใจหลักของการภาวนาไว้ล่วงหน้าซะก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจหลักอันนี้น่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันก็จะดำเนินไปไม่ตลอดสาย <c oughs> บางคนก็ไปได้รับความสงบนิ ด, ดนหน่อยๆแล้วก็อยู่ในความสงบนั้นซะไม่อยากคิดอ่านอะไร เช่นนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องดีมันก็จะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงบุคคลผู้ที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจสี่ก็ต้องมา ทำใจให้สงบลงไปเสียก่อนอุปกรณ์ของการทำใจให้สงบก็ได้แก่ศีลถ้าบุคคลใดไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะมาฝึกฝนจิตใจทำใจให้สงบนั้นเป็นไปไม่ได้ ผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องปฏิบัติดังกล่าวมานี่แหละอะไรที่เป็นกำลังของกันและกันเราก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบ <c oughs> มันจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัย ในวัตตะสงสารอันนี้ไปได้เหมือนอย่างนักรบที่จะเข้าไปสู่สนามรบก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยอาวุธสำหรับใช้ในระยะใกล้อาวุธสำหรับใช้ในระยะไกล ูลเ่ยมันก็มีพร้อมเลยแล้วเกาะสำหรับป้องกันตัวก็ต้องมีเกาะสำหรับป้องกันตัวนั่นได้แก่สมาธินั่นแหละการที่ระมัดระวัง ไม่ให้ข้าศึกมันยิงมาถูกได้ น, นั้นก็ได้แก่ศีลเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาของตนให้เป็นปกติไปตามพระพุทธบัญญัติที่ตนได้สมถทานมาแล้วทรงห้ามให้ทำอย่างไรเราก็ไม่ทำ ไม่พูดอย่างนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นปกติเหมือนอย่างทหารที่มันรู้จั ก, กลบรู้จักหลีกกระสุนของข้าศึกนั่นไม่พรีผามเข้าไปต่อสู้กับข้าศึกทันทีต้องรู้จัก สถานะควรที่จะเข้าตีหรือไม่ควรอันนี้เทียบกันได้กับบุคคลผู้รักษาศีลก็จะต้องระมัดระวังการกระทำทางกายอันนี้ว่ามันผิดศีลหรือหรือไม่ผิดนี่ก็ต้องพิจารณาก่อนจะทำอะไรลงไป กานที่เราจะพูดอะไรออกไปแต่ละคําแต่ละเรื่องก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันผิดศีลหรือไม่หรือไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็จึงพูดก็จึงทําลงไปถ้าเห็นว่าผิดก็ไม่ทําไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีล หมายควาว่าเป็นผู้มีสติคอยระวังความประพฤติทางกายวาจาอยู่เสมอเสมอไประมัดระวังความผิดพลาดถ้าไม่ระวังไว้อย่างนั้นมันก็เผลอไปจริงๆแหละ <c oughs> ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ทำความดีให้เข้าใจ นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีเมื่อเวลายังไม่ได้ฝึกฝนกายวาจาอันนี้เนะี่ยคนเรา ม, มักจะทำผิดไปบ้างพูดผิดไปบ้างนำความเดือดร้อนมาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นและแก่สัตว์อื่นอยู่เสมอ <c oughs> ดังนั้นแหละเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาวินิจฉัยตัวเองเห็นว่าตนเองนี่ปล่อยตอนเองไปตามยถ า, ากรรมไม่มีการละมัดระวังมันอยากโลภเล่งเพ่งเลงไปแย่งสมบัติของใครมาเป็นของตนก็ เพ่งแรงไปไปแย่งชิงเอาของเขามาเป็นของตนอย่างนี้นะพอมันคิดอยากโกรธให้ใครมันก็โกรธไปตามใจชอบตามอารมณ์พอมันคิดอยากหลงอยากเมาอยากเพลินไปตามกระแสของโลกก็ปล่อยปล่อยให้กายวาจาใจนี้เพลินไป โดยไม่นึกถึงว่าการเพลดเพลินเช่นนั้นน่ะมันมีผลดีต่อชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างไม่ได้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาคิดดูเลยนี่แต่เพลินไปละเริงไปหลงไปอันนั้นน่ลักษณะแห่งความหลงใ้พากันเข้าใจอย่าไปชอบใจกับความหลงอย่างนั้น มันจะพาให้ง่วงอยู่ในสงสารนี่ออกจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้ถ้าไปหลงเกาะหลงข้องอยู่อย่างนั้นนะนั้นในศีลน่ะ น, นะศีลห้ามันก็เป็นอีกขั้นต้นอันนั้นนะยังป้องกันความเพลิดเพลินไม่ได้ก่อน เพียงแค่ศีลห้า น, นั่นนะก็ต้องศีลแปดเข้าไปวันนี้เมื่อสมทานศีลแปดเข้าไปหรือสมทานศีลสิบเข้าไปคราวนี้ป้องกันความเพลิดเพลินมัวเมาได้ข้อศีลต่างๆนั่นนะ <c oughs> แต่ถ้าผู้ที่สมทานไปแล้วไม่สำรวมระวัง เยี่ยมมันก็เพลิดเพลินมัวเมาไปเหมือนเก่าสินก็เศร้ามองหรือขาดไปดังนั้นเมื่อสมทานเข้าไปแล้วมันต้องสำรวมระวังจริงๆริงแม้สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้เพลินให้เมาแล้วมันอาจจะล่วงสินได้โดยไม่รู้ตัวเลยก็มี บางคนก็ล่วงทั้งที่รู้ตัวเพราะว่ามันมันเมามันมืดมลในใจน่นมองไม่เห็นโทษมองไม่เห็นพุทธบัญญัติที่ห้ามไว้ว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเช่นนี้มันก็ล่วงได้เอมันเป็นอย่างนั้นคนเราถ้าหลงถ้าเมาเข้ามาแล้ว ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิในอันดับต่อไปเพราะว่าให้ฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อใจนี้ตั้งมั่นแล้วก็รักษาสินให้บริสุทธิ์ได้ไม่ด่างไม่พลอย <c oughs> จะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหน พอดีก็ระมัดระวังกายวาจาใจของตนอยู่ในสถานที่ที่ตนอยู่ที่ตนไปนั่นแหละไม่ใช่เลือกที่ถ้าไปอยู่ที่หนึ่งกินสำรวมตนถ้าไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วไม่สำรวมตนเจนนี้นะมันก็เลยชื่อว่าเป็นผู้ มีศีลไม่ปกติดังนั้นมันก็มาแต่จิตนั่นแหละจิตไม่ปกติศีลมันก็จะปกติได้อย่างไรเพราะว่าศีลมันก็มาจากจิตจิตคิดจะรักษาจะสำรวมระวังอย่างนี้แล้วก็จึงได้สำรวมกายสำรวมวาจาต่อไป ถ้าจิตไม่คิดว่าจะสำรวมระวังแล้วสินจกไม่มีเลยรนการที่จิตจะสำรวมระวังก็พ่อมาฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างว่านั่นแหละมีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันวอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆง่ายๆ จิตที่ไม่ได้ควบคุมไม่ให้ตั้งมั่นนี่นะพอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็วันไหวไปเลยอันนี้นะเป็นเหตุให้คนเราร่วงศีล น, นะร่วงวินยัยไม่ว่ากระือหัดไม่ว่านักบวดเหมือนกันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันล่วงได้แหละ ถ้ามีใครไปเตือนไปห้ามอ้าวทำไมเราจึงไปล่วงโอ้มันอดใจไว้ไม่อยู่หรอหรือว่ามันเผลอไปอย่างนี้นะก็แสดงว่าควบคุมใจตัวเองไม่ได้นั่นเองมันถึงได้ล่วงเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิก็ดีมันต้องควบคู่กันไป อย่าไปเพียงเพ่งตั้งแต่จะทำสมาธิอย่างเดียวแล้วทางศีลไม่สำรวมระวังเส้นนี้นี่มันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยทำสมาธิก็เป็นไปไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจ ถ้าหากว่าตนได้พลังเผลอไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้แล้วเมื่อระลึกได้ก็อธิษฐานใจเลยต่อ น, นี้ไปเข้าไปเจ้าจักไม่ทำอย่างนั้นจักไม่พูดอย่างนั้นต่อไปด้วยความสัตย์ความจริง น, น, นี่ก็ขอให้บาปกรรมความชั่วนั้นจงระงับไป ขอให้จิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิลงในปัจจุบันนี้มันต้องอย่างนี้นะการละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยให้เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปไปแล้วแล้วก็ได้หลงทำไปพูดไปเช้นนี้เรก็อธิษฐานใจละเว้นจริงๆ บาปนั้นมันก็ถึงจะระงับไปได้ถ้าว่าบุคคลทาไปแล้วพูดไปแล้วระลึกไม่ได้ลืมไม่ยอมระลึกไม่ยอมอธิษฐานใจละเช่นนี้แะมันบาปนั้นมันจักไม่หมดเลยมันจะไม่ระ ง, งับไปจากจิตใจของผู้นั้นให้เข้าใจเมื่อเรา รู้สึกตัวอย่างว่านั้นลอธิษฐานใจละเสมอเสมอไปนะความระมัดระวังมันก็ที่เข้าไปโดยลำดับแบบนี้นะความระมัดระวังไม่ไม่ให้เผลอเลอิอเลอ่เลอล อ, อันนั้นนะมันก็ที่เข้าไปความพลังเผลอมันก็น้อยลงความรู้ตัวความสังวนระวังมันก็ที่เข้า ศีลมันก็ค่อยบริสุทธิ์เข้าไปจิตกบจะตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเมื่อมีศีลบริสุทธิ์เข้าไป น, ะ <c oughs> นี่นะว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการฝึกฝนจิตใจอันนี้ให้พากันเข้าใจเมื่อ ตนทําใจให้สงบได้ด้วยวิธีใดก็จําวิธีนั้นไว้แล้วเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วก็สํารวมใจไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละพยายามสํารวมใจของตนให้เป็นปกติไปเช่นนั้นไม่ใช่ว่าพอออกจากสมาธิไปแล้ว เลยจะปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปเหมือนเดิมนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเลยความประสงค์ที่ท่านให้ภาวนาให้ทำใจสงบนั้นก็เพื่อที่จะให้รักษาจิตที่ตั้งมัน่นอยู่นั้นให้มันตั้งมั่นสมมเสมอไปไม่ใช่มันไม่ใช่ให้มาตั้งมั่นอยู่แต่ที่ขณะ นั่งสมาธิอยู่นี่เท่านั้นแม้ออกจากสมาธิไปแล้วก็ให้มันตั้งมั่นไปเสมอมีสติคอยควบคุมไปอยู่เสมอทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน <c oughs> ก็ระมัดระวังไปอยู่อย่างนั้นท่านยังแนะนำให้บริกรรมพุทโธเข้าประกอบไปด้วย ถ้าผู้ใดคิดว่าใจของตนเองนี่มันอยากจะคิดแส่ไปทางภายนอกอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะห้ามไม่ค่อยไหวก็ต้องนึกพุทธโธกันเอาไว้พอนึกพุทธโธก็ต้องให้พุทธโธนั้นมาตั้งอยู่ภายในปัจจุบันนี้รี่ว่าให้พุทธโธอยู่ภายในใจหมายความว่าอย่างนั้นแหละ อย่าอย่าอย่านึกพุทธโธส่งออกไปข้างนอกนี่เอาพระพุทธคุณนี้รักษ า, ษาจิตนี่ไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก <c oughs> <c oughs> ารทำใจให้สงบเนี่ยนะ่าเป็นบทบาทอันสำคัญทีเดียวเพราะเมื่อใจไม่สงบแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยปัญญาก็ไม่มี ไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงอะไรได้เลยให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละ <c oughs> จงพากันสำรวมจิตใจทิตจนได้ทำให้สงบมาแล้วตั้งแต่ตอนนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไว้ให้ได้ในเวลาที่ไม่ได้นั่งก็ดี เมื่อเราสำรวมจิตอันนี้ให้สงบเป็นปกติสม่ำเสมอไปได้นานเข้าไปมันก็ใจนี้ก็หนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะมันจะหลอกแหละอยู่เรื่อยไปแหละใจอันนี้นะมันจะกวันไว้ต่ออารมณ์ต่างๆเรื่อยไปให้เข้าใจพอเรามัน ประคองกิตตีให้ตั้งมั่นอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พออดก็อดเอาอดไม่ให้มันคิดไปในเรื่องที่ไม่ควรคิดนี่ต้องเอาขันติธรรมเข้าประกอบด้วยพออดไปทนไปอย่างนี้ใจมันก็หนักแน่นเข้าไปเมื่อเอาขันติธรรมเข้ามาประกอบแล้วนะ อะไรอะไรก็ขาดขันติธรรมนี้ไม่ได้เน อ, อการสมาธิการรักษาศินก็ดีการทําสมาธิภาวนาก็ดีมันต้องมีขันติธรรมนี่ประกอบด้วยอย่างหนึ่งก็มีหิริโอตประธรรมคือมีความละอายแก่ใจในอันที่จะล่วงสินที่ตนได้สมาทานมาแล้ว แล้วก็มีอดตปะปักเกรงกลัวตอกกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกขุณธรรมสองอย่างนี้ก็ทิ้งไม่ได้ต้องสร้างให้เกิดมีในใจ <c oughs> ไอ้ใจนี้มันถึงจะไม่ล่วงละเมิดสิขาบทที่ตนสมทานมาแล้วนั้นได้ <c oughs> ไม่ใฉะนั้นแล้วเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันทําชั่วได้เลยคนเรานี่นะเมื่อมันไม่เกรงกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็ทําความชั่วได้เลยเป็นงั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมสองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องบาเพ็ญให้เกิดให้มีในใจแท้ๆเลย การที่ปล่อยปล่อยจิตให้คิดไปตามอารมณ์ที่น่ารักน่าใกล้น่าพอใจต่างๆมูนี่ผู้มีหิริโอตประธรรมอยู่ในใจพอมันเผลอคิดไปหนอนมันก็รู้ตัวเกิดละอายใจขึ้นมาเช่นนี้แหละมันก็อทวนกระแสจิตเข้ามาภายในปัจจุบันกําหนดละความคิดอันนั้นทิ้งไปเลย <c oughs> อันนี้นกว่าเป็นคุณธรรมมันสำคัญได้แท้นาะอย่าไปละเลยให้ตั้งความละอายใจไว้เสมอในการทำความชั่วทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งในที่รับหมายถึงว่าที่รับตาคนก็ไม่ทำความชั่วไม่ผิดศีลต่อหน้า ประชาชนก็ไม่ทําความชั่วไม่ล่วงละเมิดในศีลมันต้องอย่างนั้นคำว่าละอายแก่ใจในการกระทำความชั่วนี่นะไม่ใช่ว่าจะไปละอายแก่ใจไปทําความชั่วต่อหน้าประชาชนเท่านั้นและบนเมื่อรับหลังประชาชนไม่มีใครเห็นกระทาความชั่วลงได้ อย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่ถูกต้องขึ้นชื่อว่าทำกรรมชั่วแล้วแม้จะทำอยู่ในที่แจ้งหรือทำอยู่ในที่รับมันก็มีผลเท่ากันนั่นแหละมันไม่แตกต่างกันใครจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ช่างแต่ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตัวเองทำชั่วอย่างนี้นะ หรือผู้มีฤทธิ์ต่างๆนั้นท่านสามารถที่จะรู้ได้รู้ความคิดความนึกของตัวเองรู้การกระทำของตัวเองได้ให้เข้าใจอย่างนั้นต้องเตือนตนไว้เสมออย่างนี้แหละเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มา ฝึกขนอบรมตนในวัดวาสานานี้คนเรานั้นมันจะถึงซึ่งความสุขความเจริญในขั้นใดๆต่อไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกผลอบรมนี่แหละในใช่ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นก็เพราะว่าตั้งแต่ก่อนมานั้นตนก็ยังละกิเลสไม่ได้ มาเกิดในชาตินี้ก็หอบเอากิเลสมาด้วยเมื่อหอบเอากิเลสมากิเลสมันก็มารบกวนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาโดยลําดับอย่างนี้เลยนี่ถ้าหากว่าตนไม่พยายามฝึกฝนอบรมตนไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเอาชนะกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เลยกิเลส เหล่านี้มันก็จะก่อทุกข์ให้ตัวเองไปอยู่นี่ทุกชาติทุกภพไปบางทีมันก็จะพาไปสู่นรกอบายภูมินู่นเมื่อทำบาปเข้าไปอย่างนี้แหละดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำพมสอนให้พุทธบริษัทนั้นยินดีที่จะฝึกตนพอใจฝึกตน ผู้ใดเห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกภัยในวัฏะสงสารอันนี้เนะี่ยมันก็ต้องยินดีฝึกฝนอบรมตนแน่นอนแหละก็รู้ว่ากิเลสนี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนี้ถ้าใจของผู้ใดหล่อแหลอ่อนแอแล้วมันก็สู้อิทธิพลของกิเลสไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นให้อบรมจิตตัวเองนี่ให้มันมีกําลังเข้มแข็งขึ้นมันถึงจะต่อสู้กับกิเลสอันเป็นตัวมารของชีวิตนั้นได้อบรมมันไม่สงบพยายามอบรมให้มันสงบอย่างนี้นะเมื่อใจนี่มันสงบลงไปเนี่ยมัน พักผ่อนอยู่นานพอสมควรวมันก็มีกำลังสิแบบนี้เหมือนอย่างร่างกายของคนเรานี่แหละใช่มันแต่ทำการงานอย่างเดียวนี่มันไม่ไหวมันก็เหนื่อยอ่อนไปเลยทีเดียวหละหอืมามันนี้พอถึงเวลาพักผ่อนก็หยุดทำงานหนะักหยุดทำงานแบกขามอืา ยกหนักหรือว่าทำงานหนักอย่างอื่นเนีย่ยต้องงดไปหมดแล้ววันนี้ก็ามานอนพักผ่อนอยู่นิ่งๆร่างกายนี้มันได้พักผ่อนอยู่นิ่งๆแล้วมันก็มีกำลังดีวันนี้นะกำลังนั้นไม่ได้เอาไปใช้ทางอื่นมันก็มารวมอยู่ที่กายนี้หมด พอนอนตื่นขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันมีมันมีกำลังเรียวแรงแหละมันจึงตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานได้อีกร่างกายก็หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนี่ยการที่เราทำใจให้สงบลงไปนั่นแหะ กระบวนการพักผ่อนพักผ่อนจิตดวงนี้ไม่ให้มันคิดมากไม่ให้มันส่งสายไปตามเรื่องราวต่างๆของโลกอันนี้ <c oughs> เพราะการที่ทรงจิตให้คิดสายไปมาอย่างนั้นเนอะได้ชื่อว่าปล่อยจิตให้ทำงาน <c oughs> เรื่องมันนะเมื่อ <c oughs> มันคิดมากๆเข้าไปมันก็เหนื่อยสิแบบนี้ เนื่อยอ่อนแล้วดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามสะกดจิตนี้ให้มันหยุดคิดลงเพ่งจิตนี้ให้มันหยุดคิดลงให้ได้หรือว่าเอาจิตนี้แหละเพ่งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ง เมื่อจิตนี่มันไปจดจ่ออยู่กับกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วมันจะไม่คิดสงสัยออกไปข้างนอกกรรมฐานนั่นก่อนมันไม่มีอยู่ข้างนอกมันมีอยู่ในกายนี้หมดร่ากายทุกส่วนล้วนแต่เป็นกรรมฐานคือว่าเป็นเป้าหมายให้ใจนั้นได้เพ่งดูอืม เมื่อใจเพ่งดูเข้าไปมันเกิดบุคคานิมิตขึ้นมาคือมันเกิดภาพต่างๆขึ้นในดวงจิตนั่นและและจิตก็จะจ้องอยู่ที่ภาพนั้นเช่นอย่างว่าเราน้อมใจให้ตั้งอยู่ภายในแล้วนึกเพ่งดูร่างกายนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างนี้นะ อาเพ่งดูโครงกระดูกอย่างนี้พอนึกถึงโครงกระดูกโครงกระดูกก็จะเหมือนอย่างที่เราเห็นโครงกระดูกของคนที่เขาเก็บเอามาร้อยๆแขวนไว้ในที่ใดที่หนึ่งนั่นแหล ะ, ะแล้วเราน้อมภาพอันนั้นเข้ามาภายในนี่มาเทียบกับโครงกระดูกตัวเองมันก็เหมือนกันเลย <c oughs> เมื่อภาพแผงโครงกระดูกปรากฏในใจอย่างนั้นแล้วก็พยายามเพ่งจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อจ้องนานเข้าไปใจมันก็สงบลงเมื่อใจสงบลงแล้วก็วินิจฉัยสิวั น, นี้นะเออนี่คนเราเนี่ยสมมตุติว่าตายลงไปแล้ว เนื้อหนังบังสาอันนี้เปื่อยผุพังออกไปจากกระดูกนี่หมดแล้วเว้นก็เหลือแต่กระดูกเท่านี้ก็ไม่มีแก่นสารอะไรนี่รูปร่างกายอันนี้จะทำไมถึงจะมาห่วงแหนังหนาทำไมจึงจะมาหลงรักหลงใครโครงร่างอันนี้โย นี่เมื่อเมื่อใจมันเพ่งอยู่ในกระดูกอย่างว่านี่เนะี่ยมันก็เกิดความคิดขึ้นมาได้อันนี้จังทุกครั้งอนาตามันก็เจมแจ้งขึ้นมาอมืก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่เปื่อยเน่าออกจากกันเนื้อหนังมังสาอะไรมันก็จะไม่เปื่อยเน่าละลายออกไปจากกระดูกนี้ เส้นเอ็นมันก็จะลึงรัดกระดูกอันนี้ไว้ตามเดิมอันนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงถึงเวลามันวิบัติแปรปวนไปแล้วมันไม่ฟังก็เพราะมันเป็นอนัตตาเนมันบังคับไม่ได้นยะไม่ให้มันแปรปวนไปก็ไม่ฟังอมันถึงได้เป็นอย่างนี้มันถึงได้ทนได้ยากทนลำบากอย่างนี้ ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแนหะมันจึงทนยากลาบากเมื่อจิตที่มาอาศัยอยู่ในอัตภาพอันนี้อยู่ในโครงล่างอันนี้มันลําบากลําบนก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อยู่เสมออันร่างกายอันนี้นะจิตนี้จึงได้ปวนปั่นวันไว้เมื่อไม่รู้เท่า ทุรนทุรายกระสับกระสายนี่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วใยลักษณะญาณ น, นี้ก็เจ็มเจ้งในใจมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยไม่มีตัวตนอันใดที่จะให้จิตอันนี้มา ยินดีพอใจอยู่ในนี้เลยไม่มีเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นมันจึงคลายความยินดีพอใจในรูปร่างอันนี้ลง mm hmm. เมื่อมันคลายออกได้อันนี้เป็นยังไงบนในจิตมันก็วางเฉยลงได้วางเฉยต่อรูปกายอันนี้นะ ทะเรีกว่าสังขารุกปกขายานแปลว่าวางใจเป็นกลางต่อสปปรพสังขารทั้งหลายพ อ, อเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้นะก็จะไปเมาถือมั่นไว้ให้เป็นทุกข์เรื่อร้อนไปทำไมแล้วนี่ปัญญามันก็จะสอนจิตอย่างนี้เข้าไปเรื่อย จิตเห็นตามบัญญาแล้วมันก็โปรงก็วางลงเพราะฉะนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเข้าไปผู้เป็นนักบวชนินับว่ามีโอกาสมากกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าไม่ ได้ทำการงานกากล้มลำบากอะไรมีแต่จะต้องพยายามสำรวมกายวาจาใจอันนี้ให้มัน ส, สงบระ ง, งับสำรวมกายวาจาใจสงบระ ง, งับจากบาปอากุศลอย่างงาบคือมีปานาติบาตข้าข้าสัตว์เป็นต้น ให้มันระ ง, งับไปมานิสำรวมใจให้มันสงบระ ง, งับจากบาปส่วนกลางได้แก่นิวรห้า <c oughs> ต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาอุบายแยกคายสอนใจให้ปรงให้วางขันห้านี้ลงไปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ บางคนก็ไปเพ่งแต่รูปแล้วผไปหลงนามมาทำก็มีไปเห็นแต่รูปนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันยังไปเห็นนามมาทำาเป็นตัวตนเข้าไปอีกเมื่อเกิดทุกเวทนาขึ้นมาก็ไปสำคัญว่าตนเป็นทุกเข้าไปอีกแหละนี่ดังนั้นเมื่อเห็นรูปแล้วก็ต้องเห็นนามมาทำด้วยเห็นเวทนา คือจิตใจที่มันสวยอารมณ์มันเป็นสุขอันเป็นทุกข์อันไม่ทุกข์ไม่สุขนะั่นน่ะก็สัก์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยก็ให้มันเห็นอย่างนั้นแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันก็มีหน้าที่จำสุขจาทุกข์จำไม่ทุกข์ไม่สุขจาดีจาชั่ว จำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีต่างๆหม่นี้ก็สัญญานั่นแหละจำนะจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโหพพะคืออารมณ์ที่มาถูกต้องกายหมูนนี้นะเยน็นก็ดีร้อนก็ดีอ่อนแข็งก็ดีเป็นนาที่สัญญามันจะต้องจำเอาไว้ สังขารมันมีหน้าที่วิตกุยจา็ว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นเสียงนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้พูดถึงคนก็ด <c oughs> เเีเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มนี่นะความคิดความนึกต่างๆโมนี้ท้งเรียกว่าสังขาร แล้ววิญญาณก็มีหน้าที่รู้อารมณ์ต่างๆที่จิตมันคิดมันปรุงแต่งขึ้นวิญญาณก็มีหน้าที่รู้ประจำอยู่กับตาหูจมูกลิน้นกายใจนี่แหละนามธรรมานะให้พากันเข้าใจมันมีแต่ชื่อเฉย มันไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นด้วยตาหนังมันจะต้องรู้ด้วยตาในาคือตาใจเพราะว่านามธรรมเหล่านี้มันเกิดจากสัมผัสคือกายกับจิตนี่สัมผัสกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมา ดังนั้นเมื่อเรากาหนดดูที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นก็รู้เลยนามมาธรรนะรู้สักแต่ว่านามมาทําไม่ใช่สัตว์บุคคลอีกเหมือนกันดังนั้นเมื่อได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนี้นะก็ทุกขเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราจิตมันกำหนดรู้อย่างนี้มันก็อดทนต่อทุกขเวทนาได้ ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจเศร้าโศกไปตามทุกขเวทนานั่นๆเพราะว่ามันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวตนแกนสารของเราเลยนี่สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะมันก็เกิดพร้อมกันแหละเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วสัญญาสังขารวิญญาณในนมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันนะ เมื่อรู้เวทนาก็รู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณไปพร้อมกันเลยนั่นต้องให้กำหนดรู้เข้าใจอย่างนั้นเมือม่อรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามนามธรรมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยอืมจิตก็มีสติควบคุมตั้งมั่นมีขันติอดกั้นทนทานต่อเวทน า, ทาต่างๆ เมื่อจิตไม่หวั่นไหวต่อเวทนานั่นแล้วอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณมันก็ระงับไปตามกันเลยอ ม, มันก็เหลือแต่ความรู้ยิ่งอันเดียวอยู่ภายในเมื่อเมื่อนา ม, มาทำเหล่าแล้วมันดับลงความรู้ยิ่งความไม่หวั่นไหวก็ปรากฏ เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจกระทาอุบายแยบคลายไปดังที่ได้อธิบายให้ฟังมานี้ต่อไป